จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2545เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรคะเป็นวันฟังธรรมท่านทั้งหลายจึงได้มาที่วัด เพื่อปฏิบัติศาสนาิตตามแนวที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงทรงสั่งสอนให้ผู้ที่มีศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนานั้นประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความสุขและความเจริญของผู้ปฏิบัตินั้นนั่นเอง อย่างการฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นการรับถ่ายทอดสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้เห็นเป็นธรรมหรือความจริงที่จะทำให้ผู้ได้รู้ได้เข้าใจนำเอาไปปฏิบัติเพื่อ ความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเหตุที่พวกเราทั้งหลายยังต้องฟังเทศฟังธรรมกันอยู่นั้นเป็นเพราะว่าจิตใจของพวกเรานั้นยังเป็นจิตของปุถุชนอยู่คำว่าปุถุชนนี้หมายถึงเป็นผู้ที่ยังไม่มีความรู้ที่จะรักษา ตนเองให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะใจของปุทุชนนั้นยังเป็นใจที่มืดบอดอยู่มีอวิชชาโมหะครอบงำจิตใจอยู่ซึ่งทำให้ใจนั้นมืดบอดเปรียบเหมือนกับผู้ที่อยู่ในห้องมืดหรืออยู่ในสถานที่ไม่มีแสงสว่าง เช่นยาในยามค่ำคืนจะเดินทางไปไหนมาไหนตามลำพังโดยไม่มีแสงสว่างพาไปเช่นไฟฉายหรือตะเกียงก็จะเป็นการลำบากยากเย็นเพราะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเองนั้นมีอะไรบ้างมีอะไรที่เป็นพิษเป็นภายบ้างหรือไม่มีหลุมมีบ่อมีขวากน้า มีปุปัสัตว์อะไรที่ขวางกั้นอยู่เพราะไม่สามารถมองเห็นได้แต่ถ้ามีแสงสว่างของไฟฉายก็ดีหรือตะเกียงก็ดีส่องทางไปย่อมสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างข้างรอบตัวได้เมื่อเห็นแล้วก็จะสามารถที่จะ หลีเกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายได้ไม่ต้องไปประสบกับภัยทั้งหลายที่เกิดที่มามาสัมผัสกับตัวของผู้ <c oughs> ผู้เดินทางนั้น <c oughs> ฉันใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น <c oughs> ก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างของไฟฉายหรือของตะเกียง เพียงแต่ว่าธรรมะนี่เป็นแสงสว่างของจิตใจถ้าใจมีธรรมะแล้วใจจะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรไม่เป็นภัยอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นนรกอะไรเป็นสวรรค์อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษสิ่งเหล่านี้นั้นถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงตัดสโลเห็นมา เวลาก็นานต้อง2 5 0 0ักว่าปีแล้วก็ตามแต่ความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นก็ยังเป็นความจริงอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ความจริงเหล่านี้ท่านจึงแสดงว่าเป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นกับการกับเวลาสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์ ต่างๆเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องบาปเรื่องกุศลสิ่งเหล่านี้นั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอยู่ก็ยังเป็นเป็นความจริงในสมัยนั้นอยู่อย่างไรในสมัยนี้ก็ยังเป็นความจริงจริงอยู่อย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นได้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ยึดมาเป็นแนวทางนำเนินเป็นผู้นำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีที่งามสู่จุดหมายที่ดีคือความสุขสู่สภาพที่ไม่มีความทุกข์ได้เราเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนเพราะสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นทรงสั่งสอนออกมาด้วยพระปัญญาคุณคือความเฉลียวฉลาด ความถูกต้องแม่นยำออกมาจากพระเมตพระกรุณาคุณคือเกิดจากความสงสารเกิดจากความบริสุทธิ์ที่คุณคือความบริสุทธิ์ใจจากใจที่ใสสะอาดหมดจดปราศจากความโลภความโกรธความหลงสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นจึงเป็นจึงออกมาด้วยเจตนาที่บริสุทธ คือไม่ได้สั่งสอนเพื่อหวังสิ่งตอบแทนจากผู้ที่ได้ยินได้ฟังมีแต่ความปรารถนาที่จะให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนั้นได้รับประโยชน์อันสูงสุดคือการหลุดพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายนั่นเองนี่คือแปดบาทจิต เจตนาหรือความปรารถนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระศาสนาให้กับสัตว์โลกไม่ได้หวังอามิ t h สินจ้างผลตอบแทนการสรรเสริญเยินยอหรือการนับถือเคารพเคารพนับถือกราบไหว้บูชาเลยแม้แต่นิดเดียวเหตุที่พวกเรานั้นมีความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาในพระพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้เรากราบไหว้บูชาท่านแต่เป็นเพราะว่าพระคุณอันใหญ่หลวงของท่านที่มอบให้ไว้กับพวกเราช่วยเราให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกนั้นทําให้เรามีความสํานึกในพระคุณอันใหญ่หลวงนี้และก็ส่งยกและได้ยกย่องพระพุทโธ ให้อยู่เหนือเกล้าของพวกเราทั้งหลายพวกเรากราบไหว้บูชาได้อย่างสนิทใจเพราะพระพุทธองค์นั้นมีพระคุณอย่างยิ่งกับพวกเรานั่นเองเราไม่ได้กราบไหว้เพราะว่าเราถูกบังคับให้กราบไหว้และการกราบไหว้บูชาของเรานั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการขัดเกลากิเลสความหลงที่มีอยู่ในใจเรา ที่หลงหยึดตัวตนว่าเรานี้เป็นผู้ที่สำคัญเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับเรานี่เป็นเรื่องของความหลงเพราะโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีตัวตนในในตัวของเราตัวตนนี้เกิดจากอวิชชาความไม่รู้จริงเกิดจากโมหะความหลงผิด ความเห็นผิดเป็นชอบคือเห็นในสิ่งที่ไม่มีว่ามีเช่นเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเห็นความเที่ยงแท้แน่นอนในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์ <ừ. S 1> เมื่อเราเห็นกับตรงกันข้ามแล้วชีวิตของเราก็เลยวิ่งเข้าหาสิ่งที่ผิด เมื่อวิ่งเข้าหาสิ่งที่ผิดก็เลยประสบแต่ความผิดหวังเพราะเราทุกคนเกิดมาก็ปรารถนาที่จะมีแต่ความสุขความเจริญไม่มีใครต้องการความทุกข์เลยแม้แต่น้อยนิดแต่ทำไมเราถึงยังต้องมีแต่ความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นเพราะว่าความมืดบอดของเรานั้นพาให้เรา วิ่งเข้าหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั่นเองแทนที่จะถอยออกจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแต่เรากลับวิ่งเข้าหาเพราะเรา ม, ม, มืดบอดเพราะความมืดบอดของเรานั่นเองแต่ถ้าเรามีแสงสว่างขึ้นมาทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เราวิ่งเข้าหาว่าเปรียบเหมือนกับเป็นอสรพิษเป็นสิ่งที่ถ้าเราเข้าไปหาแล้ว จะต้องถูกทำลายจะต้องถูก <c oughs> ถูกกัดถูกขบนะถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ดานะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าเราไม่รู้นั่นเองเราจึงเข้าหาสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราเข้าหาสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ทำลายเราสร้างความทุกข์ให้กับเราดังนั้นเราจึงต้องเข้าหา พระศาสนาเข้าหาพระธรรมคาสอนยึดเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำพาเราไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นก็แบ่งไว้เป็นสองสองลักษณะคือเป็นความจริงสองชนิดด้วยกันคือความจริงที่เป็นเหตุและความจริงที่เป็นผลเหตุและผลนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกันคือผลจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีเหตุเป็นผู้เป็นผู้ผู้นำก่อนเมื่อเมื่อเมื่อมีเหตุแล้วผลก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาทั้งเหตุและผลนั้นเป็นความจริงเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นเหตุที่สำคัญที่สุดที่ที่เกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดนั้นก็คือใจใจนี้พระพุทธองค์ทร ง, งบอกว่า เป็นต้นเหตุของการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพูดก็ดีเราจะทำอะไรก็ดีเราจะคิดอะไรก็ดีจะต้องมีใจเป็นผู้ริเริ่มก่อนเมื่อเรามีใจเป็นผู้ริเริ่มแล้วใจเริ่มคิดแล้วแล้วเราจึงเริ่มพูดเริ่มทำตามมาแล้วเมื่อเราคิดแล้วพูดแล้วทำแล้ว ผลก็จะมีตามมาผลก็คือความรู้สึกในใจของเรานั่นแหละคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์นี่ก็เป็นผลที่จะตามมาต่อไปดังนั้นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อตัวเราต่อความสุขความทุกข์ของเราก็คือใจของเรานั่นเองและการที่เราจะทำให้ใจของเรานั้นมีสุขหรือมีทุกข์ได้นั้นก็ต้องอาศัย การอบรมสั่งสอนใจเราเพราะใจเราในขณะนี้ยังมืดบอดอยู่ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงเรายังหลงอยู่ยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่เห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเราจึงต้องเข้าหาพระศาสนาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้มาศึกษาให้รู้ถึงเหตุ และผลที่จะตามมาว่าเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเหตุและและผลนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผลที่เราปรารถนากันก็คือความสุขและความเจริญความไม่มีทุกข์ความไม่มีความเสื่อมเสียนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับกันเหตุที่พระเจ้าทรงสอนว่าเป็นเหตุ ท, ที่สําคัญที่สุดก็คือใจ ดังในพระบาลีที่ทรงแสดงไว้ว่ามนโนปุบังขมาธรรมามโนมามนมยามนโนเศรษฐใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นนรกเป็นสวรรค์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ดี หรือว่าการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือการเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ดีนั้นใจเป็นผู้กระทําใจเป็นผู้พาไปดังนั้นกา ร, การดูแลอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งสําคัญจึงต้องสั่งสอนให้รู้ว่าการกระทําอย่างไรคือความคิดแบบไหนเป็นความคิดที่จะนําพาไปสู่ ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองความคิดแบบไหนทำให้พาไปสู่ความความทุกข์ความหายนะความคิดที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญนั้นก็คือการคิดที่ดีความคิดที่ดีนั้นคิดอย่างไรก็คิดเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นคิดเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคือให้มีความเมตตามีความกรุณา มีมุนีตามีอุเบกขาไม่ให้มีความคิดที่เบียดเบียนผู้อื่นความคิดอะไรที่เป็นการคิดที่เบียดเบียนผู้อื่นความคิดที่โรคที่โกรธที่หลงนี้ถ้ามีเกิดขึ้นมาแล้ว <c oughs> ก็จะทําให้เราต้องไปเบียดเบียนผู้อื่น <c oughs> ดังนั้นเราจะต้องคอยควบคุมดูแลจิตใจของเราให้คิดดี เมื่อเราคิดดีแล้วคำพูดของเราก็จะดีการกระทำของเราก็ดีแต่ถ้าเราไม่ดูแลปล่อยให้ใจคิดไปในทางที่ไม่ดีเช่นให้คิดมีความให้คิดโกรธขึ้นมาเมื่อโกรธแล้วคำพูดออกมาก็ไม่ดีการกระทำก็ไม่ดีเมื่อทำไปแล้วผลที่จะตามมาก็จะปรากฏขึ้นเวลาโกรธนั้นใจของเราก็จะร้อนใจของเราก็จะ วุวายแต่เวลาเราทำบุญเวลาเราสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นใจของเราก็จะเย็นใจของเราก็จะสบาย <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของการกระทำความดีและอยู่ในขอบเขตของการละการกระทำความชั่วทั้งหลาย และต้องชำระใจของเราคือชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นต้นเหตุของการกระทำความชั่วทั้งหลายเป็นต้นเหตุที่ปิดกั้นไม่ให้มีการกระทำความดีเกิดขึ้นได้และถ้าเราไม่ได้กระทำความดีมีแต่การกระทำความชั่วเราจะไปหาความสุขได้อย่างไร เพราะการกระทำความดีไม่ปรากฏมีแต่การกระทำความชั่วเมื่อกระทำแต่ความชั่วผลของความชั่วย่อมปรากฏขึ้นมาก็คือความทุกข์ในปัจจุบันและเมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำต่อไปนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นมาแล้วเห็นว่าพวกเรานั้นยังหลงทางกันอยู่ ก็สงสารเพราะว่าถ้าไม่มีใครอบรมไม่มีใครสั่ ง, ส, งสอนพวกเราก็จะดำเนินไปตามวิถีทางอันเดิมๆของเราเพราะสิ่งที่เราไปชอบไปรักนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราที่แท้จริงเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขแต่เป็นเพราะว่าเราไม่มี <c oughs> ปัญญา <c oughs> ที่จะแยกแยะได้ ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่ไม่ใช่เป็นความสุขแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราไม่รู้กันเรามักจะเห็นว่าความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่แท้จริงนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงเราจึงคว้าแต่ความสุขที่ไม่แท้จริงซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาผม ความสุขที่ไม่แท้จริงนี่เปรียบเหมือนกับน้ําตาลที่เคลือบยาขมเช่นคนเราที่เสพสุรากันนั้นเพราะอะไรเพราะเขามีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในชั่วขณะที่เขาเสพนั้นเวลาเขาเสพเขาก็มีความสุขแต่หลังจากที่เขาเสพไปแล้วก็มีความทุกข์ตามมาอีกห้ายประการด้วยกันประการแรกก็คือถ้าเสพสุรามากๆ ก็จะทำให้ไปทำร้ายร่างกายอาวัยวะต่างๆจะเสื่อมเร็วชีวิตจะสั้นอายุจะสั้นสองเมื่อเสพตุลาไปแล้วจะไม่มีสติประคับประคองจิตใจเวลาจิตใจจะคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่สามารถยับยั้งควบคุมได้คนที่เสพตุลาจึงมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่สม คือวาจาก็จะเป็นวาจาที่ไม่สุภาพเป็นวาจาที่หยาบคายเป็นคำพูดที่เวลาผู้อ่นเขาฟังแล้วฟังไม่ได้กิริยาก็ไม่ไม่เรียบร้อยแล้วนอกจากไม่เรียบร้อยแล้วยังจะมีการเบียดเบียนผู้อื่นอาจจะไปการทำร้ายร่างกายกันอาจจะไปประพฤติผิดประเวณีกันอาจจะไป ลักทรัพย์ของผู้อื่นนี่ก็เกิดจากการที่เสพสุรายาเมาเป็นเหตุเมื่อเสพไปแล้วก็ไม่มีสติที่จะควบคุมใจให้อยู่ในขอบเขตของความดีงามได้เมื่อทำไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็มีผลตามมามีความวุ่นวายใจตามมาจะต้องหลบต้องซ่อนและในที่สุดก็จะต้องถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตาราง ถูกเขาทําโทษไปนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดจากการที่เราไม่รู้จักแยกแยะความสุขว่าชนิดไหนเป็นความสุขที่แท้จริงชนิดไหนเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเรากลับเห็นว่าความสุขความทุกข์นั้นเป็นความสุขอย่างเช่นกรณีของการเสพรายาเมาส่วนความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงนั้น เราก็มักเจอแยกแยะไม่ออกเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมักจะมีความทุกข์ผสมไปด้วยอย่างเวลาเราจะทำความดีนั้นเราจะรู้สึกว่ามีความลำบากอย่างวันนี้จะมาวัดนี้ก็จะรู้สึกว่าลำบากไหนจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารข้าวของต่างๆมาถวายพระไหนจะเจอฝนฟ้าที่กำลังตกลงมาก็เริ่มรู้สึกว่ามีความลาบากลบากลบน ถ้าคนที่ไม่เข้าใจถึงผลของการกระทำความดีว่าการที่เราได้ทำความดีทำบุญให้ทานนั้นเป็นการชำระสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่มีอยู่ในภายในใจเรา <c oughs> คือความเห็นแก่ตัวความตนีความโลภซึ่งเป็นสิ่งที่คอยสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับเรา แต่เวลาเราทําบุญทำทานนั้นก็เท่ากับเราเอาชนะความเห็นแก่ตัวเราเอาชนะความตนเองเราเอาชนะความโลกและเมื่อเราเอาชนะสิ่งเหล่านี้แล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบมีความปิติมีความพอแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เราก็จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคคือความยากลําบาก ในการกระทําสิ่งเหล่านี้นั่นจะต้องต่อสู้กับเวลาที่เราจะต้องตื่นเช้าต่อสู้กับฝนฟ้าอากาศแล้วเรายังต้องต่อสู้กับกิเลสภายในใจของเราคือจะต้องต่อสู้กับความตนีต่อสู้กับความเห็นแก่ตัวต่อสู้กับความโลภที่จะพยายามจีดขวางสร้างความรู้สึก อ, อึดอัดสร้างความรู้สึกลําบากลําบนขึ้นมาเป็นอุปสรรคกิด ผิดขวางเราไว้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาไข้ควรแล้วพิจารณาว่าการทำบุญให้ทานนี้เป็นคุณและเป็นประโยชน์กับเราจริงๆเหมือนกับเวลาที่เรามีโรคภยคัยไข้เจ็บแล้วเราจะต้องไปรักษาตัวเราก็ไม่อยากจะไปรักษาตัวเพราะเรารู้ว่าจะต้องเจ็บไหนจะต้องถูกหมอฉีดยาหรือหมอผ่าตัด นาจะต้องรับประทานยาที่ขมยาที่เราไม่ชอบรับประทานกันแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าถึงแม้ว่ามันจะทรมานถึงแม้ว่ามันจะเจ็บถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบกระทํากันแต่ถ้าเราไม่กระทําแล้วโรคภัยที่มีอยู่กับตัวเรานี้จะไม่หายนอกจากไม่หายแล้วยังอาจจะทําให้เราตายได้ด้วยดังนั้นถ้าเราใช้ปัญญาแยกแยะแล้วบอกว่า ถ้าเราไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวของเราแล้วโรคที่มีอยู่ในตัวของเราก็จะหมดไปหายไปเจ็บหน่อยก็ทนเอาหน่อยอย่างนี้ถ้าเราใช้ปัญญาแยกแยะแล้วเราก็กล้าตัดสินใจเพราะว่าสิ่งที่เราจะทําไปนั้นในเบื้องต้นผลอาจจะไม่ดีแต่ในบ้านปลายผลมันจะดีคือโครคภัยไข้เจ็บ มันก็จะหายไปฉันใดพวกเราทุกคนนั้นดังที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ามีความทุกข์ใจด้วยกันทุกคนไม่มีใครในศาลาหลังนี้จะไม่มีความทุกข์ใจอยู่เลยไม่ว่าจะมีฐานะแต ก, กนแตกต่างจากกันขนาดไหนก็ตามบางคนมีฐานะฐานะดีร่ำรวยมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของ ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมลอีกคนหนึ่งไม่ค่อยมีทรัพย์สินเงินทองยังขาดนั่นขาดนี้อยู่แต่ก็มีความทุกข์ในใจเหมือนกันนั่นก็เป็นเพราะว่าใจนั้นไม่ได้รับการดูแลนั่นเองใจไม่ได้รับการขัดเกลว์ชำระสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราใจของเราทุกคนจึงมี ความทุกข์เหมือนๆกันทั้งๆที่มีฐานะต่างกันมีความรู้ความฉลาดต่างกันมีความสามารถในการที่จะทำมาหากินต่างกันแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่ไม่ต่างกันก็คือในใจที่ยังมีความทุกข์อยู่ก็เพราะว่าในใจนั้นยังมีต้นเหตุของความทุกข์อยู่ต้นเหตุของความเศร้าหมอง ต้นเหตุของความเศร้าหมองนี้ท่านแสดงไว้ว่าคือความโลภความโกรธและความหลงนั่นเองและการที่เราจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องเข้าหาพระศาสนาเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระองค์แรกผู้ที่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากจิตจากใจได้ เมื่อความโลภความโกรธความหลงนั้นถูกกำจัดออกไปจากจิตจากใจแล้วใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นเป็นใจที่มีความสงบมีความอิ่มมีความพอเพราะอะไรเพราะว่าตัวหิวไม่มีนั่นเองตัวหิวก็คือความโลภความอยากนั้นถูกทำลายไปเมื่อไม่มีความหิวแล้วความอิ่มมันก็เข้ามาแทนที่นั่นเอง เมื่อมีความอิ่มมันก็มีความสุขเมื่อมีความหิวมันก็มีความทุกข์นี่แหละปัญหาคืออยู่ที่ใจของเราปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากหรือมีน้อยเรานั่นไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเรานั้นพวกเรามีกันทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่มีหรือมีไม่พอชีวิตของเราก็จะอยู่ม า, มาถึงวันนี้ไม่ได้ เมื่อชีวิตของเรานั้นอยู่มาถึงวันนี้ได้ก็แสดงว่าสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเรานั้นมีเรามีพอเพียงแล้วดังนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาอะไรเพิ่มขึ้นให้มากกว่านี้เพียงแต่รักษาสิ่งที่เราไม่อยู่ไว้ดูแลรักษาชีวิตของเราให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งก็พอแล้วต่อให้เรามีเพิ่มมากไปกว่านี้อีกสักร้อยเท่าพันเท่า มันก็ยังไม่ไปกาจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปเพราะการที่จะกาจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจนั้นเราต้องกาจัดกิเลสตัณหา